ธรรมะที่เราสอนนีนะเพราะสั่งทความรู้ความเห็นที่ความที่สอนนี้แล้วก็มาตอบอรารมณ์ได้นะทีนี้ก็จะต่อ ให้ท่านรู้ซึ่งธาตุอโปคือน้ำก็จะต้องปรากฏก็เราเราก็ผ่านผ่านกันหลายๆลายคนถ้าจะปรากฏธาตุดินก็ต้องปรากฏได้ก็จะเห็นดิน จะทำต่อไปไงเราก็ให้ผ่านก็อโภกะดินเราต้องมันทำเราต้องมันทำก็นึกวาชาติทั้งหลายก็คงรด้ ก, กันว่าเมื่อไรก็เมื่อไรก็สอน อย่างนี้แหละก็มันยังไม่ได้ก็จะโดนไหนเราก็ต้องสอนอย่างนี้แหละมือมันปรากฏดินหรือปรากฏน้ำเราก็จะต้องรู้ได้ดได้ วัดทวีธาตุมีต้นหาต้นไม้ก็ให้ปรากฏได้และเราก็จะเดาสอนก็ไปได้ถ้ามันไม่ปรากฏแล้วก็ก็มารูเดาสอนนายได้ก็ต้สอนเขาดีล่ะ ทีนี้เมื่อเรามีธาตุน้ำปรากฏธาตุดินปรากฏต้นยา้าต้นไม้ผู้เขาเราก็เราก็ปรากฏอยู่ไม่ขาดสายทีนี้ครูบาาจารย์ก็จะแนะนำต่อไป เท้ามื่อจะมาธิเกิดขึแล้วแล้วพก็ท่าทีดินนาลงไปก็เกิดขึ้นกับตัวเราเองเพราะที่นั่งกันนี้นะ ก็พยายามจะแนะนำห ร, รื่องสังคมที่เรานาั่งๆนี่อีจะเกิดนามเรือบินในที่นี้ก็ได้แล้วก็มันไม่ได้เกิดแคบๆมันจะเกิดสุขภูกูลูกายัางกระมัม สนามดิดอนเหมืองนั่นแหละหรือมันจะเป็นสนมรถไถยวิ่งข้ามา ก, ก็ได้เรามีมีองค์กานอยู่แล้วก็แล้วก็จะมีได้เราจะนึกว่ามาสอมมาเมื่อไรก็พูดอย่างนี้เมื่อไร ก็พูดอย่างนี้ก็ให้มาได้ก่อนสิแล้วถึงจะรู้ถ้ามันไม่ได้ก็ไม่รู้จากขวัวใจของครูบาอาจารย์หรอกว่าครูบาอาจารย์นี่มันจะมีรู้อะไรมัง่งเ้าเราไม่มีความรู้เหมือนท่าน เราก็ไม่รู้จักโรใจของครูบาอาจารย์ได้เพราะงั้นแหละนั่งอยู่ด้วยการกินข้าวอยู่ด้วยกันจะไม่รู้จักกันเลยนะจะไม่รู้จักกันเลยพูดเรื่องนรกขวัญ น, นี่ นรกก็มีจริงสวรรค์ก็ไม่จริงที่เราไม่รู้ของจริงก็ได้ก็จิไม่มีสบาทิเราถ้ามีอโหท้าไป ฝนมันจะตกปูนีบรรปรากฏก็ดูได้ว่าฝนมาชาก็จะตกแหละปัวีธาตุธาตุดินก็ปรากฏอยู่เรื่อยๆแม้เราได้ขี่รถ เขาได้ดินมันจะปรากฏเลยนั่นะเรามีสมาธิแล้วมีแล้วตาก็มีอย่างขึ้นรู้จะให้มันเสียบซีอยู่กลายกันนะ จะนึกนะว่าครูบาอาจารย์ไม่มีความรู้อะไรหนังสือหังหักก็ไม่รู้ก็จริงแต่ไอาจารทางจิตใจที่เราตรอดเราพูดเนี่ยท่านไม่ได้ก็ไม่รู้จักใจเราเขาเชิญได้ก็รู้จักใจเรา เราก็ถามที่คำตอบของพระพูทธเจ้าตาไม่บอดคงจะสร้างฉันให้เกิดได้ถ้าตาบอดคงจะสร้างฉันไม่ได้ไมาเอาจริงก็มาได้จริงนะ แล้วเราเขามีฐานแล้วตายเราก็ไม่ไปนรกแล้วพึงว่าปิดอบายผูดได้พวกเราก็สามปีจะจะพยายามขวางกันนะจะโกรธกันนะ เท่ากระดนียมันตัดมรรคผลในผานนะไม่ถึงในผานก็ถึงเทวโลกสมบัติก็ยังดีดังว่ามีเอยู่ยืนกันเพื่อกดกดให้มันยันเยก็คนละ ปริยัติศาสนาได้ที่นี้ ร, รมเกิดความจริงใจขึ้นนะเราจะตายอยู่สมบัตินั้นตายแล้วก็ห้ไปเกิดบุญทั่วลโลกสนะิ่นดีก็ไปเกิดบุทั่วโลกได้นะ สินดีก็ไม่คอยโกรธกันรอกนะมันมีพรหมวิหารสีให้มีรักใคร่กันเองนักบวชต้องรักกันต้องพยายามเราอุตราวบบัติมาที่วันนีก็อินว่า พยายมจะช่วยเหลือมาช่วยนั่งเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนเพื่อให้เป็นกำลังใจดอกบัวถึงมาแรงพุ้งพึ่งยากราวกึงเท่าไร ดอกบัวก็ไม่ว่าอะไรขอให้มีมแมลงมาคราวกลึงก็แล้วการดอกไม้จำนายแม่กวนอินพวกถิวดาก็รองให้อูนหวยกันคิดถึงมุมมนุษย์ ก็จะตายเกิดจะหมดเทามนุษย์มีสิ่งก็ไม่ใช่ว่าตายก็จะไปเกิดเทวโลกไปเกิดเทวโลกบำบัดบำบัก็สิทมวิชาญก็จะไปเกิด ยังไม่ซึมในฝานกน็จะไปเกิดพรห ม, มโลกที่พระตะ ก, กี้แสดงว่มมาพรหมโลกไม่ไม่ใชเ่เรี่อหายนะดูนะก็มีสาร น, นะแล้วก็ ทุกมัรจาร เ, เป็นที่นั่งเป็นที่ผูกกุศลฐานะเจ้กากิจสาขาก็เรื่องของพระอิเจ้าแล้วก็ อนาคาก็มีฌานทุติยฌานทุติยฌานตติยฌานตติยฌานก็ตาติยฌานก็เป็นสนามของอนาคาไม่ หรือบ้านเดือนแล้วเรื่องพ่อพ่อมีเมียอันนาคามไม่ดีแล้วตินห์ตันหาไม่เกิดดับหมดแล้วก็พวกเราก็พยายามตามติ ให้ผิดจนาเรื่องเกิดแก่เจ็บใจกันมันก็นจะบาบางลกไปได้ยาคะทั้งยศนี่ที่เ่าได้รับพระมภาน์เยียบยำอยู่ความเกิดแก่เจ็บใจมันตำบัิของอนากามีถ้าติาดใจลกพน เราก็รู้ตัวเองเน่ถ้ายังไม่รู้พคนก็ก็ยำองค์ฌานไปก็แล้วกันภารกัยลักษณะานก็ผ่านอยู่เสมอเรายังไม่สมเจเราก็อยู่ในอสุภากรรมถานดยแก่เจ็บตายอยู่เรื่อย เพายางั้นจริงว่าเท่าถึงอนาคามีแล้วก็กินเละมันก็ไม่มีราคามันก็ไม่เกิดแล้วก็เท่าหากเราพวกเราปฏิบัติถ้ามันไม่มีราคาแล้วก็นี่แหละจะจะออกมาแล้วอนาคม ไม่มีอันนี้จังนี่ก็ปรากฏอยู่กรลุกตาอยู่เสมอความไม่เที่ยงอยู่เสมอแล้วที่พยายามบอกเรานี่มันกลายแล้วก็ทั้งปักตายก็จะตาย น้ำก็จะท่วมน้ำก็จะท่วมเราก็ให้เตรียมตัวกันนะรักษาตินให้ดีนะตายแล้วก็ไปสู่สวรรโลกสมบัติอายุยืนสากโพดปีเก็ากล้กานปีเท่านี้ก็ดีทงไปแล้ว ก็ขอรักษาสินดีสินห้าก็ดีสินแปดก็ดีสินเจก็ดีเท่านี้แล้วถึงไม่ได้ฉานก็ยังจะไปสู่สิ่โลกได้ให้สินดีสินห้าพระก็สินห้าตรงนี้นะ สิบแปดต้องดีนะสิบสิบต้องดีนะทาไม่ดีก็อัดก็จะช่วยตัวไม่ได้เหมือนกันพยยามที่อุตสาห์มานั่งคุเพื่อนเนี่ยจะให้นำใจของพวกยาดม แต่กล้ากันสิยังอื่นก็ช่วยกันไม่ได้ก็ช่วยกันอย่างนี้ช่วยบอกกันอย่างนี้บอกกะทำวงการว่ให้เราขอกรรมฐ า, านไกทีว่า ชาตรีเราเขว่าก็คืออะไรถ้ามีชานเราทำไม ย, ยังไม่รู้ธาตรีดินนํำไปมันก็เกิดขึ้นทาไม่ได้แล้วก็ไม่รู้รล้ให้ไปอ่านหนังสือก็ไม่รู้ทำยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้ได้เราก็ เขากรดทันอีชาตาร้อนกันแล้วก็มันควางเขานะมันกวางเขาขวางคนที่ด้าดีน่ะมันยะเป็นเส้นนำอยากได้เรือนของพระอระหันต์แล้วก็ตั้งใจ จเจริญพรวิหารสีว้ยเมตตาความรักใคร่ตัวเองและรักใคร่ผู้อื่นกรุณาช่วยตนในผลทุกข์ก็ขอให้คนอื่นใคุณทุกข์ด้วยมุติตาเห็นพวกทัมดีเราก็พยายามสามีอุบเบกขาวางเคย ใครว่าไงก็เฉยใครว่าไงก็เฉยอย่างนี้แหละผมไม่หันรีไม่อิจาตา้อนใครนี่นำมันมาทวมบาปพวกเราอยู่แล้ว โอนีมันก็ผ่านก็อาจะมาบ่อยทำกรรมฐ า, านมันไม่ไม่เร็วก็ขาทำมันไม่เกิดได้ก็ดีแต่เรื่องไม่เกิดนะั้นไม่เบี่ยงหมอกันไม่เกิดที่เรามันไปเกิดที่อื่นก็ได้ทามไม่เกิดที่เราจะว่าไม่แม่นก็ไม่ได้ มันไม่เกิดที่เราแล้วก็ดีแล้วฝนจะตกลมจะพัดว่าจะผ่านีก็ไม่นะทำ มันอา จ, จไม่มีที่เราก็ได้ทำทำเพอทำเจริญช่วยกันเจริญพมหมีหันซีมันอาจหลมจะไม่พัดปทตินีก็ได้มันพัดไปสิอื่นก็ได้มันไม่พัดปะกลงเราเราก็ดีแล้วเป็นบุญ ถ้าพัดมาก็สิ่งทาเราก็ดีแล้วเท่าตายเราก็ไปทีบ โ, โลกเราจึงพยายามช่วยกันอย่างนี้ส่วนนั้นนะไม่งานเราก็ไม่มีสื่ออื่นหนึ่งนะแต่โลกกดลงเนี้ยพวกเรา ต้องละกันให้รายเด็ดขาดทำมันจะเกิดมีรู้ในใจก็ให้ขันติโอดทนมีขันติโอดทนก็จะเป็นดีมากโลกปวดลงมันทำไม่คิดผิดนะไม่คิดถูกรอกมันไม่งั้นมันไม่อย่างนี้เออ วันนี้มันไม่เกิดมันจะเกิดกวดหน้าดิสิเดือนหน้ามันไม่ไม่มีมันจะไปมีเดือนหน้าดิสิพวกเรานะจะคืนจะขืนทำไหนานะทำไหนาทาไหนาผู้บดิมันคัดมันค่อนความจริงนะ มันไม่ค่อยพูดนนะมันไม่ใช่ที่นี้มันที่อื่นมันก็เป็นเราให้สําเกตดูด้วยให้สังเกต ด, ดู ด, ด้วยนะพราะมัจริงเชื่อกันมั่งก็ดีไม่เชื่อก็อตามใจก็พูดทำนายเนี่ยแต่อัตา ม, มาเนี่ยเชื่อ ทำก็มาถัดแ น, น, น่นอนนอนทำอโปนี่มันก็ปรากฏได้ถัดดินมันก็ปรากฏได้ยาผง ม, มันก็เกิดได้นี่บอกไวปนะ ต, ตัวเองได้ก็จะได้รู้อเออหลวงพ่อบอกไวปนี่มันจริงแล้วจว่า นิ่งสะรละมันได้จริงๆแล้วทำไมจะพูดไม่ได้ก็ของไม่จริงเขายังพูดกันได้อาขิอยได้มักสีผลนสี่แป้นนิพานหนึ่งจงเจริญเจริญนะ ที่เราแนะนำคำตั้งสอนของครูพุทธเจ้านีขอให้เราได้ดีอกดีใจที่เราได้กระทบมาแล้วอย่างที่เราได้ทำอย่างแน่นอนเราได้ปุกปน สมาธิมาแล้วตั้งหกปีหกปีอยู่ในประชารบินทบาทเป็นวัดถึงปดด่นจะตกแค่ไรเราก็จะต้องเดินไปบินทบาทที่ประตูนํำ เราก็เขาก็เห็นเราตากคนเรขอขอื่องโคโครฮรมมาเราไม่เอา็ก็ให้ที่นี้เราก็ไปพอถึงบ้านข้างหน้ากอไตบาทาบาเราก็เอาลมก่ากับบ้านนั้นเขา เพราะเราไม่มันเปลียกหมดแล้วทิ้งจา ก, กันก็แค่นั้นเลยนี่เราด้วยบุกคลจังกายใจของเราแล้วเป็นโตก็หิวเองแล้วยังดอกไม้อีก อยู่ในมือที่ขอให้ะการะบูชาธรรมเรากว่าปรารถนาก่อนจ่องข้างนี่ที่ถือดอกไม้อยู่นี่มือหนึ่งก็ถือพุศโลแล้วก็ขุมบาตรไว้ ก็ก็ถือดอกไม้อีกอย่างเงี้ยมาจนหกปีแล้วถึงได้เดินทางออกจากป่าชามานั่งเดินอยู่ที่วัดทุ่งสมคิจจำเป็น นอนอุตมานาจนมืดแล้วถึงได้เข้ามาที่วิหารของพังวิหารก็พังแล้วต้นไม้ก็ขึ้นในกลางกลางวิหารนั่นแหละสองต้นเราก็อยู่ กะกตนจะโก่งตอนอยู่ในกลางวิหารก็ทรมาอย่างนี้แหละรถอะไรเราก็ไม่มีรล้เราก็ปลุกปนมาจนรู้ทโอรรมะขึ้นแผ่นดิน ที่ของวัดเขาว่าไปจำหนากกันบมดแล้วก็มีสักสองานเท่านั้นแหละแล้วก็อยู่หมายุมหมาเขาก็ก็หายกลับคืนมามาั่งกลับคืน เราก็ปลูกต้นโพขึ้นเป็นเขตเขตแดนของวัดทุ่งตะกีตมเป็นแถวแถวนั่นนหละเป็นเขตของของวัดทุ่งต้นไก่นาวนั่นแหละ ดังโกูดเล็กๆแล้วก็กินไก่เหล้าชันใก่เหล้าหล่นหล่นมันก็ขึ้นขึ้นที่ตนปัจจุบันอย่นี้แหละนั่นละเขด็ดดานเข็ดดานมันก็ ต้นเสดาวนะก็ น, น่นลนนาละเกงด่านมีเท่านั้นแหละทีนี้นักเขานักเข้าเขาก็ค่อยคืนให้คืนให้ก็เราสักแปดไรของไม่คุ้นก็คืนให้ ในบัวดั่นก็ที่หลังวิหารนี้นะเป็นหนาของของโยมที่นี่ก็เอาที่บันของเราที่ให้ก็แลกกิจบัวก็เปิดที่วัดก็กว้างกว่าอีเป็นยังนี้พวกเราก็ใส่ ความดีความชอบเนี่ยนะถึงได้ปฏิบัติเดี๋ยวนี้ก็ต้องสองสองร้อยกว่าแล้วซื้อทุ่งหนานี่หมดทต็มตู้แล้วก็ ที่บ้านนคุณก็ก็อเป็นวัดหมดดูดูมาค้าวนี้มาปฏิบัติเป็นไปตไม่ได้ใจทุกประตทุกใจไม่ได้รับ ดูดูมาเขานี้มาปฏิบัติเป็นประตูไม่ได้ใช้ทุกประตูประชัยไม่ได้รับก็มือก็ห ม, มายเองเราก็ทำโดยตามธรรมกันตรงของพระพุทธเจ้ววาเรา แล้วก็ถึงได้ชมกูว่าภิสุมีสินสี่เลนโปกธรรมตามีทรัพมากนี่มีทรัพมากแล้วพวกเราๆนี่ยะก็พยายามประพฤติเพื่อสิ่งธรรมนี่ะที่ดีที่ชอบ ของเที่าเทวปุถุเทวโลกยกไปมีสมบัติที่อยู่เทีทยเป็นยดยดกันอีกแล้ววางศาสนาของพระองค์พระองค์กด้หลงมาเทศนาให้พวกเทวดาฟัง พวกเสวดาก็จะบรรลุธรรมเป็นโกดโกดเอวังทีเดียวขอให้พวกเรานีได้มีสถาั้งสตางคาให้มีขึ้นจะให้หวันไหวจะให้โลกโกดหลงเข้ามาทับใจแล้วก็บรรก็จะไม่เห็น ธ ร, รมโอธรมะมือโลกโกลงนี้มาดับไปแล้วธรรมะทำไมเราจะไม่รู้ธรรมะเราทำไมจะไม่เห็นขอให้เรามันมีสัาจริงๆว่าพระพุทธเจ้าท่าน ร, รมมาก่อนเราท่านเป็นเจ้าของธรรมพระพุทธเจ้าเป็น จะคงตามให้เราทําตามและเราก็จะเห็นตามเห็นกับจนของพระองเราก็จะได้ผลทุกต้องโลกรุหลงนี่นําเป็นสังโยชน์ที่มันผูกมัดความโลกรุหลงรักฉังเนี่ยทำให้เรา ให้เรายากจนลำบากก็เพราะเร็วนี้แหละจึงพยายามสร้างไว้แต่เรามาเจอเหมาะแล้วพระพุทธเจ้าผู้กองถรำเจ้าองรรมพระสงพุทโธโลกเกพระพุทธเจ้าก็เกิดในโลก ธรรมโลกเกพระทับก็เกิดในโลกสังโคโลกเกพระทรงก็เกิดในโลกสามรัตนานี้เกิดมาแล้วในโลกเราแล้วพวกเราก็มาผ่านพบแล้วก็ปฏิบัติทำในฝุ่นให้ดีใจเส พัง่ดีใจเถว่าเรามาเจอธรรมของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วพระธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าไปอยู่ที่ใครก็อยู่ที่ผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นก็เห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นทศกุลแล้วก็จะต้องส่งใจสมไย เราเนี้ยมาเป็นอยู่นี่รูจั ก, กว่าจะ้าา่าปลาอาหารเราก็ไม่ตกตืลึงเขากินเราก็ขอคบกันกันอยู่ไม่ต้องทุกร้อนไม่ต้องลำบากไม่ยากเลยเขาเลื่อมใจ ผู้ปฏิบัติปฏิบัติชอบเอาข้าวากหม้อให้พวกเราจันก่อนแต่้วยจำแล้วก็จะมันเราจะไม่เห็นทุกข์เลยเราไม่ต้องมีทุกข์เลยเราก็มีความสุขกายสบายใจธรรมัพผนนิพพาน อยู่ในร่มไม่ต้องถูกยากลำบากมงคลช า, าบ้านก็บางคาทำไรแต่านาแล้วก็ยังพดนห่วงเราไมา้เราสั่นกบชาติกันแล้วก็จะไปสวรรค์จะไปไม่ฝันไปนานนว น, นวล น, นะรู้จากกคนชาบ้าน เขาก็พอใจในพวกเราเราก็พอใจในคนชาวบ้านอัญญาอัญญะพึ่งกันเลยกันนี่อำนาจเราก็แฝงไปสานไปที่พรหมวิหารสีแล้เขาก็มีพรหมวิหารสีกับเราเราก็มีพรหมวิหารสีกับเขาแล้วก็ จะไม่คนดุกได้เู่เราก็คนดุกลยดูให้ดีจะดูให้ดีเราจะได้รูจ้จักพระธรรมความเชื่อเป็นอย่างนี้เอา น, นี้ก็นําสร ม, มาทีกันมาแล้วก็ยุติก็เป็นเท่านี้ ก็ <elet> ุดไม่คว่าจุดความเทเรนี่นักปฏิบัติปฏิบัติเป็นจริงก็ได้จริง ปฏิบัติไม่จริงมันก็มาได้จริงธรรมะในมันอยู่ที่ใจคำสอนนี่ท่านก็เลึกชัดให้ดูได้เห็นได้ปฏิตังเห็นเฉพาะตนคนอื่นเห็นไม่ได้พวกเรา จมบัวธรรมานิษหาฝังได้ยากไม่ใช่ว่าเด็กฝังได้ง่ายกลัวจะกัดกล้องอมลอยให้พวกเราฝังได้นี่นักปฏิบัติเป็นเนื้อ ไอ้ของพระพุทธเ จ, จ้าจริงแล้วพวกเราเนะ่ยจะไปฟังอะไรที่มันเหฮาและมันเป็นเครื่องของพยายามานทั้งนั้นแหละนี่หมดหวนแล้วถึงรู้เห็นได้เป็นอย่างนี้ นี่แะของปฏจบัตตงเห็นเฉพาะตนได้ยู่ได้เห็นเถอะพวกเราไม่ได้หวังหกนะที่นักปฏิบัติจะได้อย่างนี้นะให้เรียนเรียนจะกาบประโยกก็พูดไม่ได้หรอกอย่างนี้นะ ไม่ใช่คงต้องดำลึกชาติมาเป็นเหลือเป็นตะเคียเราจะรู้ได้สินี่มันหมดกิเลสได้รู้จักกิเลสมันเป็นมาพลาดไป เป็นชาติในเรื่ชาติแล้วเป็นรอยชาติผลชาติเรื่องชาตินุ่มราญเลบเป็นมนุษย์กละและเป็นมนุษย์ก็ไม่ดีก็มาทําความชั่วเรื่องการมคุณยั่งเดียวที่เคเป็นชาติในชาตินี้นะ <c oughs> การมคุณยังเดียวนะถได้เป็นสาสตราา์ดิฉันแล้วเมื่อไรจะได้มาเกิดทุกคนเรามีตะโลกกดหลงนี่แหละมันจะไปไปสู่ทุกข์คณย่อมไม่ได้นะโธตะหมุนจอนไปเกิดในตะโลกนะ โลพามูนแปดแปดดวงนี่ปรเกดเป็นเปรตนะเปรตก็ต้องทำชัวสิลักก่มยกินแล้วก็ถึงได้ไปเป็นเปรตแล้วโมหะหมูนรอง ไปเกิดเป็นสัตว์เป็นฉันเป็นเสือเป็นหมูเป็นตะเค่เป็นนารับไปเถอะที่เป็นมันนะม่นจะน้อยทีนี้กระดูกเราจะจิ้มไปในแผินเนี้ยมันโดนกระดูกเรานล้ามาเจอประพุฤติตับ แล้วเร่งทาความดีซะนี่เป็นพระใช้เ ง, งนินใด้ทองเป็นปาฏิติีนี่ก็ตายไปจะเป็นจัตติรชาชนะไม่ใช่เล่นหรอกเอ า, ายากนะมนุษย์เนี่ย พระละไปตกรกทะพิลึกแล้วรักษาสินไม่ได้นี่นะชาตรู้นะขอห้ามรับเหมือนนะแล้วที่ไม่รู้จักสินทรั มันก็ต้องเป็นอย่างนี้อ้าวหวังมีนะลูกตัวบาดกปั่นชางตัวัง ไปเคยเป็นมังกรพวกเราต้อนแล้วจะดื้อรั้นเหลืไปเป็นสัติรชานนะในใจเราอาจจะตงฝันนะถกไอต้อ เหมนงี้ได้ได้ย่อยิ่งเข้าไปรเยอะทำเพื่อพระพุทธจ้าปฏิรชนจะไม่เกิดเอเราปตตูตินะกไปทีนะเรื่องเงินนี่ะ เมื่อรอบที่5วันทมาแล้วบที่ก่นทำบทมากๆอยเงี้ยไม่รู้จักมาเจอครูบาอาจารย์ดีถึงได้รอบตัวได้นะเงินนะจวบมหาโคยังใช่เลยเออมหาเลย ไปนรกดี่นะมหาเป็นเป็นมหามาก็เท่าตินไม่ดีแล้วแต่จาเลยจ่าได้พบเลยขาดมันเป็นามากเป็นอะไรรึไม่เยอะแยะมัน จะเป็นพระไปได้ก็ฟกเรือหนาว่าจะไสัตวได้สัตช้างฟกเราไปไปุงถางไ้ทาไม้ดีฮไปตะวันจบบัดไปพัดนี้ปานจบบั <laughs> ไอ้เดี๋ยไปผมมโลกสมบัติก็ต้องมีฌานแล้วตัดาก็มีฌานตัวดาล้เปนตัวมฌานีกเล้มีฌานเป็นอารมณ์ฌานนั่นเป็นประกายลากไปเสด เราแค่ดกงานพวกทวดานเนอ้จามมันนะจะจะลักนูลักนี่ไม่ได้เราพกไมสิ้นย้ายชาณนิจุไม่ได้นะโดดดูพไปนรกหลือจะว่าไม่บอกนะ วาวกันทไม่ควรทือจะถือวาคุทื่อๆแล้นรู้จักดีพราะเราเนี่เป็นพระเป็นจีแลทท้วก็ตัดกิเลสกันห้า ให้มันหมดแล้วก็โชคเราคงก็จะดีไปได้ก็เป็นพระบรรนายก็เป็นพระก็มีสิ่งนีๆก็เป็นพระได้เลยเนยอยาให้ขุนเอียดไปเป็นสุพรรณมั่ง ด้วการโรดด่าให้เป็นทุกข์แล้วมันผลทุกข์แล้วก็เป็นพระแล้คเขาหวังต้ขนมถึงนิดตะวันนี้ผ่านนะไปนี่ผ่านหน้าตรนวนนะ ใญ่เออจริงจะงองเราก็ให้ทำให้มันดับไประหมดเราจะได้เป็นพระพระเราสิ้นไม่ขาดก็ยังขนชาโลกยังทำบุญได้บุญสิ้นไม่ขาดก็สิ้นขาดาแล้วก็หมดถทางแล้วก็ กินข้าวทาทยกไก่ก็กินนึกแดงดีกว่าเท่านอนเตีอของทายกไก่ก็นอนนึกแดงดีกว่าโอ้ลำบากจังรักษาศีลม่ดีอย่าให้มีอย่างนั้นได้นะแล้วก็ สิ่งไม่ดีข้าศึกเอาตะขอแหลมจับลิ้นกระตุกออกมานมะีเหตุกระตาเลยนะพวกเรา ปฏิบัติว่าพูดจริงๆทาไมจะพูดไม่ได้มันนริจรู้พูดได้การโกหกโกไว่เรงพูดได้พูจริงๆทาไมจะไม่ได้นี่หลวงพ่อมหาบัวก็ก็แกก็พูดวิญญเราก็โอยังมีจริงๆ เป็นพยานได้องแล้วพูดจริงๆทำไมจะพูดไม่ได้มันเห็นจริงรู้จริงแล้วก็อย่าไปปิดบังก็ว่าไงเปิดนี่เปิดเนี่ยพอแกรู้แล้วอย่งนไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ดีหรือไม่ต้องไปอ่านหนังสือให้มันลำบากหรอ ในพระมาไหลเล ย, ยไม่ผิดิดก็ใครทำยังไงก็ได้งานกลับจิตกลับใจซะเราก็อย่างเดียวคนนั้ น, นก็พวกเราอิชาแก่เอายาไปหลไว้ีนกุณแก่ก็ปวดหวัวเหมือนหวัว ว่าพวกเราวิชาแก็ทีนี้ก็ถ้าไปเมื่อคืนเนี่ยองสองคนเราก็บอกว่าเออสปายะอาหารดีก็อยู่ได้มีอุปการาโรคก็อยู่ได้ ถ้าบุคคลไม่ดีเนี่ยเขาห้ามอยู่ที่นี่ที่ที่บุคคลไม่ดีเนี่ยเราก็ไปเจะก็แล้ว ก, ก็ไม่บอกอย่างนี้แล้วบอกความจริงมาเลยชากระแล้วแกก็ไปกันทางกลางคืนเลยนี่ เราก็ไม่ไม่ได้เชื่อพวกเรากว่ามันจะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไปนรกมันก็อันใจมันหมีนะยายคนนี้อยู่แตงออกวัดแตงออกกันสองสองคุณแล้วก็มาอัดมาก็ เขาก็กีมาเรียแล้วก็ชีทุกจิตแล้วก็ชีอะไรวะลืมละแม่แม่ขุีนะ ว่านั้ทีนะ่นั่นแล้วก็สิ่งนี้มันก็ไม่เคยเป็นงานแล้วเขมันเป็นอย่างานั้นแล้วเราก็ก็ตาม คามลืมไ้่มันมีไม่เลยจิตเงียบมีพวกนี่ตีเตียงคนคนเดียวแหละตีเตียงคนที่นีซิ่งชิบบ่อยๆนั่นแหละเราก็ไม่รู้โยูายยังไงเราก็จะ อาไปามาให้เก็บวางถ้าบุคคลไม่ไดีอย่างนี้เราก็ไม่อยู่ก็ไปอยู่ที่อื่นก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วพวกเราพว ม, มันมีอย่างนี้การมัม่หมี เอาอยาไปรออีกว่าจะคุยเขาเขาได้กลิ่นเราค่ะไม่สบายใจนี่เขาเป็นจะเังจะดนะัสมากเรไปนนี้แล้วก็เต็มที่ไม่ไม่จะคงหายที่ต้งชนะ เด็กคนหนึ่งกขาห้ามไม่มให้ไป่าจมรุ่เจ้าจะเอาเรื่องมหมแตจะก็เอาเรื่องย่ไปจมรให้นี่ยังนี้นะพวกเราอ่ะให้กลัวเกรียมตัวแผ่ไม่ตากันเธอ เราก็ปังเทศกัมาตลอดเนี่ยมนุษย์ในรายยาจะไปเกณฑ์สัตว์ในชาตก็ง่ายเป็นง่ายนะไม่จะเป็นในยากยก at uh...